ก่อนโมทนาสาสุกการในท่านสาธารชนทั้งหลายวันก่อนได้พูดเรื่องมาราโรวาทสูตรที่มาประรบ ค, ความสนใจใส่ใจในสิ่งสวยงามของพระราคุณในขณะนั้นท่านก็ยังเป็นพระหนุ่มตบวทยังไม่นาน พระเจ้าสูงสุดจึงทรงสอนให้เราหุดพยายามมองเป็นภาพรวมๆไปก่อนว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ชตัวตนของเราเป็นการมองแนวนี้มันก็พูดง่ายนะมองยากนะทำยากแต่ก็เป็นฐานที่เราเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเรามองเห็นตามความเป็นจริง จุดที่มุ่งลดก็คือมุ่งลดตัณหามาณทิฏฐิเห็นว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งมันติดมาโดยกําเนิดนะครับแล้วก็มาเพิ่มขึ้นในปัจจุบั น, นไม่ว่าจะตัณหาก็ดีมาณทิฏฐิก็ดีมาณก็ดีทิฏฐิก็ดีมันเพิ่มขึ้น เพิ่ขึ้นตามอายุเพิ่มขึ้นตามยศเพ่มขึ้นตามวัยเพ่มขึ้นตามตำแหน่งนะที่การงานต่างๆเพิ่มขึ้นตามทรัพย์สินเงินทองที่เอาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็ทั้งๆที่รู้นะอะไรจริงแต่เป็นความรู้ที่ไม่จริงคือรู้แล้วเอาตัวรอดไม่ได้ในจุดปุ๊กหมายทางพุศาสนานี่ พิษก็ใช้คำว่าความรอดก็เราใช้คำว่าหลุดพ้นซึ่งหมายความว่าหลุดพ้นไปจากอำนาจของกิเลสก็จนถึงก็หมดกิเลสไปแล้วก็มีการแสดงในระดับที่ดลดหลั่นกันขึ้นไป เอกลิก็ถือเป็นความรอดหมายถึงการไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้า ว, ว่าถือว่ารอดลแล้วเราเองถือว่าขนาดนั้นมันก็ไม่รอดนะเป็นการหลบมุมอยู่ชั่วคราวแต่สรุปก็ศาสนาเขาก็มุ่งไปในแนวนี้คือมุ่งให้เรารอดจากอานาจทุนกิเลสอำนาจของความทุกข์ทั้งนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของใจที่หาเรื่อง มันเกิดขึ้นดรือกดขายทางกายบางทาสภาพแวดล้อมบ้างทางพื้นฐานจิตใจบ้างมันก็อธิบายอะไรไม่ค่อยได้ความรู้สึกเป็นของเราความรู้สึกเป็นเราหรือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็จริงคนมีมากน้อยไม่เหมือนกันมันก็อยู่ที่กำลังกองกิเลสเหลานี่มากหรือไม่ แล้วก็ถูกสภาพแวดล้อมต่างๆนะปลูกราวให้เพิ่มพูกเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีเงื่อนไขปัจจัยอะไรมากมันก็เกิดไม่มากแต่เรามองไปีทีเราจะเห็นว่าเรื่องปรีชาญาณเป็นฐานสำคัญมากพู้เจ้าพร้อมที่จะพาเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรามาก เกินไข่สภาพเป็นล้อมได้ปรุงแต่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่เป็นราชกุมารตลอดถึงเป็นราชายาดเนี่ยมันสภาพไปร้อมมันมันมันกึ่งกูลมากๆแต่ปัญญาที่รู้เท่าทันตามความจริงสิ่งในหลายที่เกิดขึ้นเอาก็จริงสิ่งเหล่านั้นมันก็เกาะทันไม่ติดเพราะว่าจิตมันมีพลังหรือว่า มีความผ่องใสก่เล็เกาะกไม่ติดเพรา ะ, ะนันบทจะสลดัดองค์ก็สลัดไปได้ง่ายๆแต่ทีนี้เอ็กคนบางคนสภาพแวดล้อมไม่เอื้อขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่ยึดติดเองมันก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นแต่พงยึดติดได้มันทีก็เรื่องมิดเล็กอะแ้่ก็ไปยึดติดอยู่ได้ อย่างที่เล่าเรื่องกุลธานบัณฑิตที่ท่านเทียวบวชเที่อสึกอยู่ตั้งเจ็ดครั้งเนี่ยมันติดอยู่นิดเดียวเองของเรานะติดกับว่าของเราอยู่นิดเดียวเองคือ ท, ท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะปลูก ป, ก ป, กปกุกาแล้วก็ไปเก็บเป็นสเสบียงเอาไว้วเสร็จแล้วก็บวชเป็นฤาษีก็สเสบียงเหล่านั้นไปกิน เครื่องมือในการทําสวนก็าทำทำาร่กันตาหนังกันนิดเดียวนะก็มีจอบเขียนเล่มหนึ่งก็มีเสียมเล่มหนึ่งนะจอบเสียมเล่มหนึ่งมีเสียมเล่มหนึ่งและเครื่องมือในการอพันกับเปลือกอะ พ, พันพันพันพันกับเปลือกจํานวนก็ติดเนี้วย พ็แล้วตั้งก็นึกเสียดายของเนี่ยไม่ได้ใช้เม็ดเปลือกก็จะเสียไปเครื่องใช้ก็ไม่ได้ใช้เอาก็ะสุนอีกเที่ยวไปเที่ยวมากระสุนล่าสุกสอีกตงเนี้ยเหมือนวนเองก็ติดอยู่ได้คีเดียวเือความของเราของเราไปดูแล้วไม่น่าติดแต่มันติดก็ย้ำที่เคยเล่าถึงว่าการมองความคิดเนี่ยมองมองสิ่งต่งางๆเนี่ยแต่แง่ที่น่าหยุดน่าติดหรือไม่แต่บางทีมันมีอะไรเข้ามาช่วย จริงๆการช่วยมันก็อยู่ทีการมองเรามองให้เป็นครูก็ได้นะมองให้เพิ่มกิเลสมากขึ้นอีกก็ได้ที่เคยเล่าถึงจ้คุณอุบาลีคุณวมอาจารยนะ์จันที่ท่านไปตอนนั้นหนุ่มๆฮะไปติดใจเจ้าสาวลาวเจ้าลาวนะโอ้ยมันมันติดแต่ตาลายมันติดตานะท่านหนีจากเมืองจันมาอยู่ที่เชียงใหมย่ยังติดหลับตาติดทุกจีเลย หับตาแล้วโปรมาเต็มตัวเลยโอ้ยก็สู้กันสาหัสจากกันมากๆภาพเหล่านี้ไม่ใช่เล่นนะฮะมันสู้เป็นเดือนๆเป็นปีๆเลยเกยพบหลวงพ่อธีรคอนองค์นะเขาเล่าต้องสึกนะอยู่ไม่ได้เลยเข้าไปอยู่ในป่าในถ้ำไปหลับตาปั๊บเลยนิมิดก็ติดปั๊บ้นมาเลยมิดติดตาเลยเมือนก็มานั่งประเชิญนาคอะอย่างเงี้ยโอ้โหสู้กัน เป็นปีนะครับปีทั้งสู้ไม่ได้เลยถูกเปน็นสลัดไม่หลดุดไอหลวงพ่อก็สลัดไม่หลุดเหมือนกันมนติดอยู่ที่ถา้าแต่ว่าพอดีมันมันก็เรียกว่าปุเพกะตะปุญญาตานะฮะมีบุญเนขามนันรณุตอนนั้นก็ไม่มีใครช่วยฝนตกอย่างแรงน้ำหลากอย่างแรงแล้วก็ผ่านลำธารแล้วก็เสียงดังมากบึม แล้วก็ากระโจนกระท่านก็ออกมาดูมันมีปลาตัวใหญ่ยยาาญมากๆลำใหญ่อย่างอาตจันทร์มามันติดง่ายห็นนิดเดียวเองอยไม่ได้ดิน้นพลาดพลาดพลาดแ้วก็มองน้องก็มาหาตรดน้องตรงก็ไปหาปลาน้องปลาก็มาหาตรดแล้วในที่สุดมันก็ได้กติได้กติที่จะช่วยตัวเองให้รอดรอดแล้วก็ดึงไปช่วยปลาเสียก่อน เดี๋ปลาจะกมันก็ดูอะไรมันติดมันทําให้ติดมันไม่น่าติดแต่ทำไมจึงติดไอติดตรงนั้นที่จริงมันก็น่าติดอยู่หรอกว่ามันมันมันก็ปรามันก็ดิ้นไม่ได้ในหินมันมันไปไปเกี่ยวเขาแต่ใจที่มันติดแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรไปผูกไปแต่เราก็หาเรื่องให้ติดเฉยติดในรูปติดเสียงติดเสียติดแล้ติดสัมผัสที่จริงมันไม่มีอะไรไปโยงไว้นะไม่มีอะไรไปสาบานไว้ แล้วก็เกิดจาการปรุงเราเองกับเราตัวเองนะของเราของเราของเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นในนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราออไปกันไปกันได้ในสุดเนี่ยถ้าก็แก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะบ น, นเส้นทางของการต่อสู้กับลักษณะของอารมณ์เนี่ยไยเนี่ยมั น, ม, นมันมีส่วนมากคือ แต่วัยหนุ่มอย่างเนี้ยวัยหนุ่มวัสาวอย่างนี้ต้องใช้เครื่องมืออย่างนี้แรงเครื่องที่จะสํารอกกิเลสประเภทเนี้ยแรงเพราะในช่วงแรกก็ส่งสอนอย่างนี้ก็เห็นว่าพระราหุนยังไปไม่รอดมันมองแยกไม่ออกอนะ่ะ ม, มองแยกไม่ออกแยกไม่ออกกระทำยังไงมันก็แนวกรรมฐานนั่นแหละแนวกรรมฐานที่เราเห็นว่าเอ๊ะทาไมมันสอนเรื่องเนี้ยเรื่องเดียว น, นั่นี้งทาไมทําไมแยกเยอะบางนคนก็แยกไม่ออกช่วยแยกให้เขาอ่ะ เราจะเห็นว่าพอมาถึงตรนี้พระเจ้าก็สอนในแง่ของธาตุในในแง่ของธาตุเพราะว่าพระราคุณ น, นี่ท่านมองแยกน่เก่งนะมองแยกน่เก่งแต่ว่าไอ้สิ่งที่รวมอยู่เลยเนี่ยนิ่งไปแยกเลยมันแยกไม่ออกแยกไม่ค่อยออกเฉพาะตรงนั้นน่ น, นะฮะเพราะพูทธ้เจ้าก็เลยจับหม่เอาเราคุณ ด, ดูมาดูที่กาย คือท่านท่านต่หลายอย่าลืมนะฮะว่าพระเราหุนก็กำลังชื่นชมในรูปรูปคนขค้นแล้วก็มองพระพุทธเจ้าก่อนโอ้โหพระพุทธเจ้านี่งามสุด ง, งามจริงจริงอสวยงามจริ ง, งจริงมองดูมองมอ ง, มองไปมองมาก็มองตัวเองเอเ อ, เ, อเราก็ไม่เปนะอย่างนี้ลูก่อนไม่มองก็ติดรูปอะก็ติดรูปพระพุทธเจ้าหรือติดรูปท่านก็แย่แล้วนะมันติดสับรูปใดรูปหนึ่ก็แย่แล้วฉะนั้นมองให้ถอน ของความเป็นของเร า, เเราความเป็นเรานะความเป็นตัวเป็นตนของเราออกไปเพิ่อไม่ยุติดในความสวยงามเหล่านั้นที่จริงกายนี้ก็เปิดดาวผู้ฟังนะพูดง่ายนะมันจะทำยากทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นพอมันถึงจุดตึกมันก็ทํำยังไงก็ย่อยให้มองดูธาตุ้าก็คือธาตุแนวธาตุปัปพระในหมวดของสติปัฏฐานนั่นเองนะฮะ เราเห็นว่าสอนในช่วงแรกก็คือสอนแนวอ น, นันตารักนะสูตรตอนท้ายพอถึงช่วงนี้มันก็จะสอนแนวของมหาสติปัฏฐานนะสูตรตอนต้ น, นเรื่องกายก็ แ, แยกเป็นธาตุลองดูร่างกายนี้ก็ประกอบด้วยธาตุตรงนั้นทรงสอนธาตุธาตนะุะธาตุคอยดูว่า ส, วส่วนใดที่มีลักษณะแข็งแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายนี้ ดูหยาบๆนะฮะดูผมคนเล็บฟันนงเนื้ออ็นกระดูกเยอในกระดูกม้ามหัวใจตับังปืดตปอดไส้ใจไส้น้อยหันหมหันเก่าจนถึงมันสมองกรว่าไปก็เป็นธาตุดินมองให้เห็นว่าสัก์แต่ว่าธาตุศักด์แต่ว่าธาตุธาตุแต่วศักดิ์แต่ว่าดินแต่ว่าสัก์ศัก์แต่ว่าดิน ย, ยังยังยังเอาไม่ได้มันต้องเอาสัก์แต่ว่าธาตุก่อน คือภูปัญดาเราในนิ่งเราย่อยพืดเดียวเนี่เราย่อยไปไม่ได้นะะใจมันไม่ยอมใจไม่ยอมเพราะงั้นก็มามองให้แยกเป็นธาตทีนี้อย่าลืมอย่าลืมว่าท่านมองแบบสวยนะฮะมองแบบสวยงามที่พระเจ้าทรงใจทรงใจคำอย่าถามคำนะเนี่ยอิทากันธามนาปารุปาสตะกันธารสาปุตตบาลโกเกปิยาลุปังสาตุลปังอิทา คือใจเราเนะ่ยมันไปกําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจกําหนดยังไงกําหนดว่ารูปมันสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน้ า, าจะต้องใจก็กําหนดกิเลสมันก็เกิดอ่ะแต่รูปนั้นแหละพอถึงจุดหนึ่งเรากําหนดใหม่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจทําก็ให้ไม่อยากรู้ไม่อยากฟังไม่อยากเกี่ยวข้องเรากําหนดตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ แต่ว่าใจเราไปกำหนดมันไม่เหมือนหนาวร้อนนะฮะเราจะเห็นว่าหนาวร้อนเนี่ยไปเป็นสภาวะมันเป็นก็มันอย่างนั้นเองทุกคนมาเจออากาศขนาดเนี่ยนะขนาดไ ม, ไม่ต้องลอบเราเอาจักส้าห้าจ้ากเนี่ยเอาจากสิบเนี่ยแย่แล้ว 12, สิบสิบสองสิบห้าเอาขนาดสิ้านะอรัเราก็ทนกันไม่เคยไหวแล้วคนไทยเนี่ยเราแสดงว่าทุกคนมันก็หนาวนะะแต่ว่าอาจจะหนาวไม่เท่ากันเออแต่ทุกคนรู้สึกหนาว นี้ไอ้รูปเสียงดินรถเหล่านั้นเนี่ยในขณะที่คนหนึ่งรู้สึกว่าสวยนี่คนหนึ่งรู้สึกไม่สวยเลยรู้สึกตรงกันข้ามก็ได้คนหนึ่งรู้สึกเฉยๆก็แสดงว่าไอ้สวยนี่ไม่จริงมันไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้เหมือนกับร้อนจริงเย็นจริงหนาวจริงนะฮะหิวจริงหรือกระหายจริงปวดอุจจาระจริงปวดปัสสาวะจริงแกลัดแกจะตตาจริงอันนี้อ้นี่จริงนะฮะหมายความว่าใครเจอเราจะรู้สึกเหมือนกัน เพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเป็นรายละเอียดนะพราะฉะนันเจ้าก็มองเห็นนะที่จริงมันเป็นธาตุผมขนเล็บฟันนังเนื้ออินกระดูกยอดในกระดูกมา้ามหัวใจตับปั๊มปนไตปอดมาพอย่อยพอย่อยออกมาย่อยออมามันก็แทนที่จะดูที่ตัวไอภาพเราเนี่ยไอภาพในร่างกายเราจะแยกขนาดนั้นเนเราไม่เคยเจอพระเจ้าก็ทรงสอนนั้นเป็นนึกถึงถึงเวลาไปจ่ายตลาด แต่ตลาดไปที่ตลาดตลาดก็าดาดขายขายเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาจริงๆตรง น, นั้นมันไม่มีวัวไม่มีควายมันมีเข่ามีหนังมีเอ็นมีเนื้อมีเนื้อสันเนื้อสับไตส่ปุงวางเป็นกลุ่มเป็นกลุมมมอยู่เนี่ยเอางี้ไปลองดูแต่ควายมันอยู่ตรงไหนวัวมันอยู่ตัวไหนมันไม่มีทั้งวัวทั้งควายมันมีศักแต่ว่านะ ส, สับไตว่าธาดซึ่งมันมันมันเกาะกลุมกันอยู่เท่านั้นเอง แล้วก็ได้มองในแง่ของน้ำนะฮะตัดน้ําตัดน้ําซึ่งจริงๆก็มีมากที่สุดในร่างกายเราให้มองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของน้ําทั้งหลายเนมีน้ําลายน้ําเหงื่อน้ํำมูดน้ําเลือดน้ําไข่ข้อน้ํามูกน้ําตาเร็วมันมันค้นเหงือเหงื่ออะไรต่อะไรอเยอะยะไหมดเลยอันนี้ก็สรุปว่ามันเป็นกลุ่มน้ํากลุ่มน้ําทั้งหลายที่ ที่มาเกาะกลุ่มประชุมกันแล้วก็น้าสักดิ์ไปวันน้ำนะศักด์ไปวันน้าเราเจนว่า น, น้าเราก็ไม่ไม่ไปรู้สึกรักใคร่ผูกพันเ ย, ยนอ ะ, อะๆๆๆๆๆๆๆๆหอจจาอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไปได้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ลมใหญ่ๆก็มีลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลมในท้องลมในใต้ลมหายใจลมตามตัวก็มีหกลมใหญ่ๆมันก็พัดกลับไปกลับมาเนี่ยของเราก็ความยิ่งความหยอนของธาตุของขันอะไรลดไปนิดหนึ่งมีปัญหาอะไรเพิ่มไปนิดหนึ่งมีปัญหามีปัญหาทุกทีตั้งหนาวตั้งร้อนคือว่าธาตุตั้งหลายเนี่ยมันวิปริตตรงใดตรงหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกระเทือนไปถึงอย่าง นี้บางทีเราเรียนตัวในไม่ได้เราไม่เห็นเราเรียนข้างนอกเลยนะเช่นว่าเกิดภูเขาลถล่มท่าดินมันแปรผันนะที่จริงการที่ท่าดินแปรผันแสดงว่าท่าดลมข้างล่างนี่มันมีปัญหามันมีรอยร้าวรอยแยกอยู่ข้างล่างทำให้ภูเขาบันไหบทะก็เทือนน้าในหมหาส ม, มุทรเกิดน้ำหลากเกิดน้ำหลากเกิดไฟไหม้อาจจะมันที่จริงมันเริ่มจะท่านลง เราท้อาดดินเลยไปซิ่งเราธาดน้ําแล้วก็เทือนเราธาดไฟแล้วมั่วไปหมดเลยทีนี้เรจะเห็นว่าก็เริ่มเริ่มตัวไหนกันนะเริ่มดินน้ําลงไปในเรื่องตัวไหนก่อนก็ได้แต่มันจะก็เทือนไปหมดเลยกันมานั่งดูข้างนอกไอ้นี่ที่จริงก็สุดท้ายมันสร้างความฝันปวดต่างความเดือดร้อนเพราะมันยิ่งเกินไปมันหย่อนเกินไปอันนี้มันมากเกินไปอันนี้มันน้อยไปก็ทั้งภายในภายนอกเนี่ยเป็นครู หมายความว่าเราสามารถจะเรียนแล้วก็หาประโยชน์ได้แต่ในที่นี้ต้องการลดกามราคะต้องการลดตนามนาทิชิเพื่อง่ายงั้งงน น, นั่นนะะต้องการลดตนามนาทิชิทีนี้อากาศาธาตุมันก็คือเอ่อไม่ใช่คือเตโชาธาตุธาตุไฟธาตุไฟก็คือไฟที่ทํากายอบปุ่นไฟที่ทํากายให้กระวนกระวายแต่ไฟที่ทํากายสุดทรงไฟที่เผาอาหารใ้ย่อย มันก็เป็นธาตุไฟซึ่งก็มีอยู่ในร่างกายนี้ท่องว่างต่างๆระหว่างเซนต์ต่างๆระหว่างส่วนต่างๆของร่างกายอก็มีอากาศและธาตุบางคนดูก็มองให้ยินเป็นเป็นอากาศทีนี้พออากาศมันแยกนะฮะมันแยกมันก็หาเราไม่เจอหาความสวยงามไม่เจอหาความสวยงามไม่เจอที่จริงที่จริงบทบทเรียนตรงเนี้นะ ไม่ว่าอะไรก็ตาม ท, ที่ที่เรารักถ้าดวนโทรทัศน์นี่มันสวยจังวิทยุนี้สวยจังเครื่องเล่นเสียงนี่สวยจังก็ถอดดู <c oughs> ถอดดูมันยิ่งไม่สวยนะยิ่งถอดออกไปนะเปิดฝาออกก็ชักจะไม่สวยแล้วนะแล้วก็ถอดเครื่องออกมาดูเรื่อยๆก็จะจะไม่สวยทึงที่ไอ้ที่สวยเนี่ยการกําหนดว่าสวยหรือว่าไปรอบว่าหอมอร่อยเนี่ยมันจะมีการกําหนดสองแนว แต่งนั้นน่ยมนุษย์มันก็จะงั้นะพระเจ้าสรงใช้คบว่านิมิตหรืออนุพยัญชนะมันจะมีการกําหนดอยู่สองแนวเนื่องเรียกกาหนดนิมิตคือรวบไปเลยทั้งชิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งหลังทั้งทั้งเรือนทั้งป่าอะไรก็เล็ก็แลแต่ฮะเรามันใช้ลักษณะนาม่าความคนก็กําหนดทั้งคนสัตว์ก็กําหนดมันทั้งตัวอาคารกําหนดมันทั้งหลังที่ดินเนอร์กำหนดมันทั้งแปลงนะงามท่านั้นเลยโดยก็อยากได้ แกได้นี้ก็แสดงว่ารวบถือไปทีนี้บางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่มีปัญหามากมันไม่อยู่ตรงนั้นนะฮะไม่อยู่ตรงนั้นมันไปอยู่ที่การกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของการะรกันะนะเห่นไหเห็นไหมโลกมนุษย์เดิมที่มันวุ่นวายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ อยารู้ย่าทรงแสดงว่าพระองค์ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงามใจผู้ชายได้เหมือนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็มีลันาณะจะเดียวกัน ร, รูปก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันใดที่เกิดขึ้นครอบงามใจของผู้หญิงได้มือนรูปเสียงกลิ่รสสัมผัสของผู้ชายเห็นไหมเมื่ก็กลับไปกับกโลกของเป็นเงี้ยมันก็มั่วๆเงี้ยนะตอนนี้ก็อะไรก็เลี้ยงฉลองอะไรกันกำลังยุ่งอันอีกแลมันกม็มีอะไรอีกอะ ก็ท่านั้นน่ะจนกลายเป็นศึกสงครามเราจะเห็นว่าเป็นการแย่งขันท่าที่เกาะกลุ่มกันการท่ามันเกาะกลุมกันมันก็กลายเป็นสงครามแย่งชิงบางทีก็แย่งชิงคนบางทีก็แย่งชิงที่บางทีก็แย่งชิงมือบางทีก็แย่งชิงอำนาจเป็นสังขารในมันเกาะคุมกันอยู่น่เกิดแย่งชิงเพื่อต้องการเป็นของเรานะแล้วก็เราได้เป็นด้วยเป็นั่นเป็นนี้ก็แล้วแต่จะเป็นนะบางทีก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอยังกระเบือปีนี้มั่วๆเลยมีนายกรัฐมนตรีสองคนไม่มีอะ ในโลกนี้นายกรัมดีสองคนมีไม่ได้บางคนหนึ่งต้องเป็นรองอันนี้รองก็ไม่ได้อะต่างคนต่างใหญ่อัตรามันใหญ่เดียกันเลยเวลากล่าวเนี่ยต้องนั่งสัมภาษณ์กันสองคนต้องลงกันสองคนเสร็จแล้วพูดเวลาพูดถึงก็คนหนึ่งก็ต้องอ้างคนหนึ่งผมกับผมกับอันนี้กัผมกับอันนี้กัผมกับอุนเซนก็บอกก่าผมกลับโรดมโรนาริตโรนาริตมันก็อ้างก่าผมกับอุนเซ เป็นเป็นเป็นเป็นตลกที่สุดนั่นคืออะไรคือว่าตัณหามันมากพอๆกันมานะก็รู้สึกก็ช้งก็ใหญ่พอๆกันตาก็เบล้มพอๆกันไม่ยอมกันไมยกันก็กลายเป็นเป็นเรื่องที่ที่แปลกออกไปนะเรื่องที่แปลกออกไปผิดปกตินั่นก็เป็นอการกันที่เด่นวนแนวแนวการสอนแนวนี้ท่านจะเห็นว่ามุ่งจริงๆนี่มุ่งลดกามราคะมุ่งลดโลภะนะฮะ ลดกรรมาราคะแต่อย่าเลือกมันกิเลสมันถึงกันนะตต่ลดตรงใดตรงหนึ่งได้มันก็ไปลดในที่อื่นได้เลยลดกิเลสประเภทราคะได้นะแต่สิ่งเหล่านั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่มีโศกะนะไม่โศกนะใครมาเอาไปเราก็ไม่มีโทษสะเพราะเราไม่ได้บีจิตกําหนดอะไรมนะันแต่เหมือนของที่เราที่เราไม่ยินดียินได้อะไรเนี่ยใครจะเอาไปไหนก็ไม่ว่าอะไร เห็นไหมฮะใจเราที่ยังไม่กําหนดเราเป็นของเรารู้ว่าเราเป็นเรืเป็นตัวเป็นตนเราใครจะทําอะไรกับสิ่งนั้นก็ได้เราไม่ได้ว่าอะไรปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตรงนั้นในขนาดนั้นไอ้ใจเราเกิดไปกําหนดเข้าแล้วก็ใจก็ยังไม่ถอนถ่ายถอนออกมาเพราะนเวลาใครไปแตะไม่ได้นะอะไรที่ของข้าใครอยากแตะอะไรจำนวนปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเยอะนั่นของข้าใครอยากแตะแฟนข้าใครอยากแตะบ้างข้าใครอยากแตะอะไรแต่อะไร น้องข่าขย่แต่ลูกข้าขย่าแตะเลยตํนวนจีนเขาอะตํานวนสมัยใหม่เขานะครับนะมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมาของเราจริงๆมันไม่มีไม่มีโดยแท้จริงไงนะแต่ว่าเมื่อใจเราไปผูกพั่นมันหมายเอาอย่างนั้นอ้ยเจ้าก็ส่งสอนให้ให้มองเห็นว่าจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่ที่เราหุนคิดว่าเป็นนะนะ แต่สอนพระอหัเป็นเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วเป็นการสอนถึงสภาวธรรมของโลกการมองในแนวแยกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดทั้งกิเลสแล้วก็เกิดทางธรรมะมองในรวมมันเกิดทางธรรมะเกิดทางกิเลสแต่มันก็อยู่ที่ใครมองอ่ะมันอยู่ที่ที่ใครมองอย่ามองในแนวแยกอย่างเนี้ยแยกเป็นธาตุอะไรบางทีเรามองไม่ออกเขาก็แยกให้เองนั่นก็คือการดูซากศพในป่าช้าทั้งหลาย าการนั่งดูสักกนั่งดูมาเนี่ดูไปเรื่อยดูความเปลี่ยนแปลงแล้วดูโศกมังเผายิ่งชัดมากอารมณ์กรรมฐานในจริงหาดูยากปัจจุบันในเผาสศ ม, มันก็ปิดหมดเลยหาดูไม่ได้อย่างต่างจังหวัดเนี่เห็นได้ชัดนะฮะก็ปากเสาสี่เสาแล้วก็เอาไม้วางวา ง, วางเรียงไว้แล้วก็นั่งดูดูไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยพอถูกเผาใหม่ กองหิรดำเป็นตอตะโกแล้วก็เริ่มถูกไฟลามไมา่อะไรเราก็ดูไฟก็น้อมหมาเราก็น้อมไปที่คนอื่นมันช่วยอะไรเยอะนะฮะช่วยจิตใจเราได้เยอะเพราะมันเป็นสัมผัสตรงเพราะในศกเหล่านี้ที่ยิงศกที่เขาย่อยแล้วใช่ไหมมันแตกกระจายแล้ว จนถึงกร ะ, กระดูกทียรายเป็นในที่ต่างๆนวสีวสิกาปะพระี่วาโดยป่าปช้าก้าวนะฮะอาสุภกรรมฐานก็ว่าไปสจยิ่งๆเ ร, งเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าอะไรฮเพียงแต่ว่าสแสดงว่ากาลราคะมันเยอะปัญญามันน้อยมันต้องไปดูขนาดนั้นแม้แกไม่เห็นหรอกแต่ค น, คนบางคนไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องไปดูหรอกน้อมนึกเอา ก็ดูที่กายเราเนี่แหละที่ประกอบด้วยธาตุก็ดูผมของเราขนของเราเล็บของเราหนังของเราฟันของเราเนื้อของเราเองก็ดูของเราก็ดูเฉพาะของเราอ่ะแต่จริงมันก็ดูไม่ได้มันก็ดูได้5้าอย่างนั้นเองดูผมขนด้วยฟันหนังน้ําก็น้ําเหงือน้ําลายก็ดูได้น้ําเลือดก็ดูได้น้ําเหลืองอะไรบางทีก็ดูได้แต่มีให้ดูบางทีก็ดูไม่ได้บางที่ก <familia> ็อย่างน้อยเราก็มีสองสามน้ำไปะน้าเลือดน้ําเหงือน้ําตา น้ำลายนะฮะเราก็ดูได้ก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรสวยงา ม, มเป็นของปฏิกูลลมก็อาจจะดูลมหายใจนะะลมหายใจเนี่ยมราดูได้ลมในท้องลมในลำปูนปว ด, ปวดมันก็ดูมันได้มันก็ยุ่งนะดมเกี่ยอันนี้ก็พยายามที่จะมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรเอเป็นเราจริงๆนะะมันเป็นสัตวแต่ว่าการเกาะกลุมของสิ่งทั้งหลาย ก็เรือนมันก็รถมันก็บ้านมันไม่ได้เป็นจริงๆเลยมันก็าะกลุมกันขึ้นแล้วเราก็ไปยึดถือเอานะเราจะเห็นว่าแนวตรงเนี้นะมันมันพื้นฐานหลักอย่างหนึ่งท่านเคยสังเกตเอฮะจนชาติอเมริกนะันอยู่ที่ไหนอยู่ได้สนุกเลยคนไทยอยู่ไม่ค่ได้คนไต้จะติดจะติดที่แล้วคนจีนอีกชาติหนึ่งเป็นเป็นชาติแปบกก็ อ, อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เลยก็ อ, อยู่ทั่วโลกเลยก็ อ, อยู่ได้อ แต่คนไทยเนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยได้คิดถึงบ้านนะไปหน่อยเดียวค่าโทรศัพท์บ้านเบิดเลยคิดถึงจะได้วงยึดติดเดยอะอุปาทานเยอะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานเดิมๆในฝรั่งมันเร่ร่อนนะมั้ยบรรพูดพวกอินเดียนแดงพวกอะไรก็เร่ร่อนพวกนี้ก็พวกผชนไทยบรรพุษพวกยุโรปนะฮะที่ไปอยู่อเมริกาเป็นพวกผู้ชนไทยพวกหลบหลี น, นมาตั้งแต่ต่อสู้กับอํานาจรัฐฮะต่อสู้กับพวกกษัตริย์ มันก็หนีมาก็หลบหลบจนซ่อนคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งมาตั้งตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเพราะไะน้นไอสายเลืออะไรการไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมันก็ดีอย่างเนี่ยคือเกิดการมายึดติดในสถานที่อยู่พวกอเมริกาจึงเข่าบ้านย้ายบ้านอยู่ตลดุดเดี๋ยวก็เปลี่ยนบ้านแล้วไม่พอใจก็ย้ายบ้านแล้วคนคนย้า ย, ายเป็นสิบสิ บ, สบครับเอออยู่เมืองไหนก็ได้เพราะว่อยู่ได้นั่นคือถานลึกๆว่าที่จิมก็ดีนะครดีในแง่ในแง่ของการทําใจ มายความว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะไม่ไปยึดติดว่าของเราอะไรนะแล้วแนวความคิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นแนวที่ปลูกฝังเป็นแนวปลูกฝังให้พร้อมยังไงก็ได้ อ, อย่างทหารเรือก็สร้างแนวลูกดอกกระดูเนี่ยดอกกระดูนทนะี่มันบานพร้อมกันแต่มันรวยพร้อมกันนั่นคือลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง ว่าไปไหนกะ็ไปด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันตายกันตายได้กันมันฝึกกันมาอย่างงี้เป็นดอกกระดูมองดอกดอกกระดูก็เป็นครูเป็นบทเรียนให้เอาตายก็ตายได้กันมันไม่เหนียวมันดอกกระดูกไอ้เจ้าเนื้อมันร่วงล้วก็ร่วงร่วมด้วยกันอันนี้ก็คือคือความคิดที่ที่มีลักษณะปลูกฝังมันก็ได้อีกแนวหนึงได้อีกแนวหนึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งทําให้รู้สึกเตรียมพร้อมที่จะตายเตรียมพร้อมจะตายทําให้ไม่ค่อยอาลัยชีวิต พอถึงภารกิจที่จะต้องปฏิวัติคนนี้ตายก็ตายเราเราจะเห็นว่าแนวปลูกฝังของสายทหารเนี่ยมันแนวเสียสละตนเองโดยตัวเองพร้อมจะตายแต่ว่าให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่แล้วก็มีอัตาอราประยู่นะะแต่ว่าจริงๆแล้วอัตตา ม, มันใหญ่มันไม่ได้มองที่ตัวเองไม่ได้มองที่ตัวเองทําให้คนเหล่านี้แนวทหารเราจะเห็นว่าทหารก็คือคนไายแต่ก็อยู่ได้นะอยู่ตามป่าตามต้นตามเขาไปนอนบนข้าวกลบไม้อะไรก็อยู่ได้หมดเลย ก็าตฝึกต้ฝืนเข้ามาอย่างนั้นคนไทยนะฮะคนไทยไจริงๆแต่เขาอยู่ได้ดังนั้นแสดงว่าอิทธิพลของการฝึกปรือเนี่ยมันจะซึมซาบอยู่ซึมซาบแล้วทำให้ทัศนค ต, ติโลกธรรมต้องเปลี่ยนไปจากเออชื่อสายเดิมเชื่อสายความภายในครอบครัวนะฮะภายในครอบครัวก็อาจจะห่วงแต่เขาเองก็ไม่ห่วงฮะก็มีเปรก็มีอะไรแต่ไรนอนนิดหน่อยเขนอนได้แก็แมีเต้น นี่ก็ก็แค่แค่กับแนวพระเห็นนะฮะแนวพระมันก็คือแนวฝึกใจริขุดงไปเรื่อยๆก็ไม่ยึดติดในชีวมันของเราเนี่ยจะมีน้อยนะแต่ว่าอย่าลืมเป็นเรานะฮะพวกทัง้งทหารทั้งพระีนเป็นเราเนี่จะแรงอนะ่เป็นเราเนี่จะแรงจึงมานะจึงจัด จ, จึงจัดเราจะเห็นว่าไม่ได้นะฮะมานะนี่จะจัดจะถือมานะจัดเพราะไปลดเฉพาะตัวตัวของเรา เราจะพอโของเราแต่มันก็เกิดเกิดเกิดอัปตาอย่างนึ่งขึ้นมาจะรู้สึกว่าเราสําคัญนะฮะเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ของอะไรก็มีไม่มากอนะแต่ก็เกิดให้ความต้องการแก่ตัวเองเหลังการศึกษาตรงนี้จึงต้องคิดบ่อยๆเพราะการการเกิดของธรรมะก็ดีนะฮะเกิดกิเลสก็ดีตรงตรงนี้เราพูดถึงเกิดกิเลสเกิดกิเลสให้เราสังเกตว่าบางที่เราก็ย่อยเอาเกิดกิเลส นะเช่นว่ามองคนคนนั้นผิวสวยคนนั้นผมสวยคนนั้นตาสวยคนนั้นคิ้วสวยจมูกสวยก็เลือกสวยเอาเลือกสวยเอาไปสวนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนไปอันนี้คือแนวหนึ่งเขาเรียกว่าถือโดยอนุพยัญชนะมันไม่เคยสวยหมดอ่ะสวยหมดแต่ว่าสวยบางอย่างนะเช่นนางติทยารักษิตาได้หลงไหลเจ้าชายพระราชรถเจ้าชายอะไร อุากุละอะไรเนี่ยหรือตาท่านเหมือนกับ น, นกมก อ, อุณาละอุณาละแต่ชายอุณาละงามจริงๆงามแต่ว่าปัญหามหาศาลเหมือนกันนะฮะดังนั้นตรงนี้เราเราจะเห็นว่าพอเรียนแนวธรรมะพระเจ้าก็สอนให้เรียนทั้งสองแนวตรงนี้ตรงที่เคยเธอเคยเกิดกี่เลสอย่างที่บอกนะว่าทุกสมุทัยเนี่ยมันเกิดที่ใดเนี่ยมาร์กานิโรทมันก็เกิดตรงนั้น แล้วมวาทุกข์สมุทัยดับไปในที่ใดทุกมกรรคไนโรธมันก็เกิดขึ้นในที่นั้นเองเกิดขึ้นในที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไม่อยู่โรคกันเท่านั้นหมายความว่าในขณะใดที่มีนิโรธในขณะนั้นก็ไม่มีทุกในขณะใดที่มีสมุทัยในขณะนั้นก็มีมรรคแต่ในขณะใดที่มีมรรคในขณะนั้นก็ไม่มีสมุทยัยมันก็เกิดอยู่ที่จิตเกิดอยู่ที่จิตด้วกัน แต่นั้นการพยายามที่ทรงสนให้พยายามมองในแนวนี้ต้องคิดบ่อยๆนะคิดบ่อยๆนึกไบ่อยๆต้องสะสมธรรมะต้องใช้วิธีการสะสมหัดคิดหัดนึกไว้ไบ่อยๆบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถหาประโยชน์แม้จากคำด่าเจ่นคนไทยไปว่าคนแขกโบราณก็บอกคนไทยก็บอกว่าเจองู ก, ก็แขกตีแขกก่อน อแขกบางคนมันโกรดถือว่าดูหมิ่นนะแขกบางคนมันมบอกไม่ใช่มันพาสิมันยังต่อไปอีกเที่ยวหนึ่งเจอกับคนไทยก็คนไทยก็งูเนี่ยเจองูก็ไอ้ไม่ใช่เจอคนไทยกับแขกนะ่ให้ตีแขกก่อนนะเจ้าแขกกับคนไทยเนี่ยให้ตีคนไทยก่อนมันบอกว่ามีอีกบทหนึ่งคุณว่าไม่หมดอะเล่นไหมแกแก็ไปเด็โกรธอะไรแกไกรอะไรแล้วแล้วแล้วแกจะมีลูกเล่นนะฮะยังมีมีลูกเล่นที่จะต่อไป แต่ที่ว่าเพื่อนโยนให้ตัวเองในกาโยนให้เพื่อนต่อแหละเกก็ไม่รับกาโยนให้เพื่อนต่อตรงนี้พูดจะโกรธหรือเปล่าไปแก้บาสิทิ์เก่าเพราะพาสิตไอ้คำบังเพลย ไ, ไม่ถึงนั้นถ้าโกรธตกลงว่าเราก็เสียท่าแขกเสียทาแข็งนี้ก็คือการการมองในแนวที่แม้มันเพิ่มกิเลสมองในแง่ไม่ดีนะฮะแต่ที่จะเพิ่มกิมเลสเราก็ไม่มองให้เพิ่มกิเลสหรือแม้แต่ ความคิดในแนวที่จะเกิดด่าว่าอะไรแต่ไรเราจะเห็นว่าถ้าเรามองเป็นธาตุเนี่ยมันก็ด่าไม่กระทบเรานระเพราะเรามันไม่มีใช่ไหมสมมติเราไปในะที่ใดที่หนึ่งเี่ยมีคนก็ด่ากันจังเลยนะทะ<อ>เาลาะ ก, กันอุตลุดบุ่นวายไปหมดเลยไม่กระทบอะไรเราเลยเพราะเราไม่ได้เกี่ยวกันในเรื่องเหล่านั้นนะเราจะเห็นว่าเราจะไม่เดือดร้อนอะไรล ท, ทันทีเขาวุ่นวายกันเดียวเนื่องจากเราไม่ไปเกี่ยวข้องนะฮะแต่ตรงไหนตรงหนึ่งจนนังหวัดในจังหวัดหนึ่งก็เกิดด่าเราปั๊บเนี่ยเรารับปุ๊บเนี่ยเกิดทันทีเลยกี่ดเด็มันก็เกิดทันทีนี่ก็คือวิธีฝึกให้แยกร่างกายออกเป็นส่วนเพื่ออย่าไปเกิดกำลัดเพลิดเพลิ น, นยินดีอย่างน้อยก็อย่าให้มากเกินไปนะก็เรามองในแง่ว่าทํำยังไงอย่าให้มากเมื่อวานไปนรวมตัวแทนของ สมรูมพุทธในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนะฮะที่นครสวรรค์คือเราเห็นคุณภาพคนในเ่อวานเป็นคนที่สันแล้วนะฮะมาบอกก็ก่อนบอกว่านี่ฉันพูดดีนาพวกคุณทั้งหมดเลยนะมันมีคนเดียวนั่นเองอ่ะที่อายุมากกว่าฉั น, นอนนั้นฉันอายุมากกว่าท่านันจะ น, นั่งรถมานี่สี่ชั่วโมงมานั่งคอยอีกก็เกือบชั่วโมงแลยจะพูดต่อสามชั่วโมงไม่พะ เราเสร็จแล้วฉันจะกลับกรุงเทพ อ, อีกประมาณสักสี่ชั่วโมงกว่าฉันนั่งได้นะฮะอายุปีที่6กสิบแล้วผู้ท่อต้องนั่งได้เลยต้องบำเพ็ญบรารมีขันติบรารมีวิริยะบรารมีอธิษฐานบรารมีสัจจะบรารมีต้องจเจริญบรารมีตรงนี้ได้แล้วก็พูดไปไป เ, เ, เ, เปรื่อยๆไปยก็ปรากฏว่าแทนที่จะหยุดสชั่วโมงไม่นะไปชั่วโมงที่สี่ กก็ซักถามปัญหาท้ายอยไม่หยุดเลยแล้วนึกว่าจะเลิกนะพ อ, พอลงมาจากจากสแตนที่พูดประกวดเแกมันล้อมเลยขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกเยอะเลยก็เป็นดาราไปเลยแต่แทนทถ่ายรูปเสร็จแกนั่งล้อมต่อถามปัญหาปัญหามาออกว่าเกือได้เกือหกโมงครึ่งไป อันนี้คื อ, ค, อคือเราจะเห็นว่าโอ้ยพื้นฐานคนในสำคัญเด็กหนุ่มสาวนะเด็กหนุ่มสาวเด็กระดับมัธยมม .4 ม .5 ขึ้นไปจนถึงระดับ ม, มหาวิทยลัยพื้นฐานคนในต่างกันมากเลยสนใจใส่ใจมีความรอบรู้เข้าใจปัญหาเดยวก็จะบอกเขาบอกว่าคือเราต้องพยายามเอาเราเป็นฐานนะเราไวขนาดนี้ไปสอนใครไม่ได้แร้วก็ต้องเอาเราเป็นฐาน เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในการศึกษาในการรับพปฏิบัติธรรมเพราะงั้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้แนวสะท้อนกลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราอาจจะดูง่ายๆว่าดูดูหางดูนางดูแม่ดูแน่ดูถึงยายอันนี้คือคือคือแสดงว่าอันย่ำันย่ปัจจัยมันเป็นปัจจัยของการอะไรกันบางทีเราดูยายเนี่ยสะท้อนมาหลานได้ใช่ไหมดูหลานก็สะท้อนไปถึงยายได้ดูวัดดูฐานดูสมภารดูลูกวัดเห็นไหมมันก็มีอยู่สามอัน ว่าดูที่ลูกวัดก็ได้มันจะท้อนไปฐานกับสมผ่านได้ว่าเออถ้าลูกวัดเรียบร้อยเนี่ยแสดงว่าสมภารก็อบรมสั่งสอนมันดีว่าห้องท่าห้องน้ําห้องท่าของสะอาดสะอานว่าดูฐานเนี่ยหมายความว่าดูห้องน้ํำมาสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่มีกลิ่นเหม็นเนี่เพราะแสดงว่าสมภารสั่งสอนลูกวัดดีลูกวัดก็ปฏิบัติดีนะฮะมันก็กลับไปกลับมาได้เป็นการสะท้อนเพราะงั้นเมื่อเราเป็นตัวหลักเป็นตัวสะท้อนได้ เป็นแบบได้คือการนำเนี่ยที่จริงเป็นเป็นเรื่องที่ที่มีค่าวกว่าการสอนน ะ, ะการนำนั้นจะให้ผลมากๆแต่เราก็ไม่ชอบนำเราชอบสร้างสร้างมันใหญ่ดีอัตรามันใหญ่ดีนำ ม, มันเหนื่อยหน่อยนำ ม, มันเหนื่อยเราต้องเป็นแบบให้เขาเราต้องนำให้เขาแล้วเราต้องไม่เน็ดไม่เหนื่อยลยต้องทำงานเช่นสมมุิเราเป็นสมภารต้องการใูกวัดได ธรรมะเช้าธรรมะเย็นสวดมนตนะ์ดูแลภาษาที่ร้อยเรานําหมดเลยเราไม่สั่งไม่สอนใครไม่พูดใครเราจะนำนะตื่นเช้าขึ้นมาเราทำไงเราก็ทนะําะบ้านเล็กๆก็เหมือนกันอนะเราก็นำเลยแต่ที่จะสอนสอนเรื่อยๆผมก็เสียเวลานะแล้วก็โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนสมัยนี้ก็สอนก็ค่อนข้างยากเลยดังั้นเราก็นําเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะสร้างความประทับใจ ตอนนี้กำลังกำลังมองไปถึงมุมหนึ่งว่าไอ้แบบวิถีชีวิตของการศึกษาทรรมปฏิบัติธรรมแบบแบบเราเนี่ยคือไม่สร้างความประทัดใจให้แก่คนที่บ้านใคล้ๆวันไหนเรารักษาโบสถศีลโอ๋มันเคร่งจังเลยคุณย่าคุณยายกลับไปถึงบ้านกัลูกกัหลานก็พูดไม่ได้นั่งตักก็ไม่ได้วิ่งมาเกาะก็ไม่ได้ตวาดนะยายผิดศีลแล้วไปนั่งเงียบอยู่ในบอนในห้อง ห้เขไม่พูดไม่จาไม่สงสิงกัใครเอ๊ะมันทําไมข้าวัดมันเพี้ยนไปได้ดีๆคุณยายคุณยายดีๆทำไมมันเพี้ยนไปได้อันนี้คือเราเข้าใจผิดแล้วก็ใจผิดเราเข้าใจว่ามันจะต้องมันจะมันจะมันจะขาดศีลศีลของอภพรามนะครับอันนี้มาไปเห็นอาจารย์อะไรม้างก่อนรับหนังสือจากเด็กเนี่ยแกให้โยนให้แกไม่รับออกรักษาศีลพระมจรรย์พระมจารย์อะไรรับหนังสือไม่ได้ ศิลชาวบ้านเนี่ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะศิลป์ชาวบ้านเนี่ยก็เรียกอาคาริย์วินยัยมันทํำยังไงอะลูกหลานเราไปกลับบ้านกลับจากวัดไปเนี่ยลูกหลานมันเห็นแล้วมันประทับใจมันสนใจเออคุณแม่นี่ยดีขึ้นเยอะตั้งแต่เข้าวัดขี่บ่นก็น้อยลงด่า ก, ก็น้อยลงนะแล้วก็ให้ความรักความอาวุนเอาใจใสกับเราดีขึ้นมันมันสนสนใจแล้วมันมันมาเองไง แม่แม่ขอตามไปด้วยสงสัยว่าทําไมแม่ดีขึ้นเยอะเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราไปถึงเราเปลี่ยนแปลงในลักษณะเย็นชากับลูกนะกับลูกกับหลานวัดนี่มันแย่เลยเมื่อก่อนพ่อแม่เราดีๆปุยยาตายายเราดีๆเป็นนี้เป็นไงไปข้าไปวัดไม่กี่วันแล้วไม่พูดเลยกับเราเราเราก็ดุเรื่อยดุเรื่อยเตเรื่อยแต่ตอเรื่อยไม่มีทางนะะ ไม่มีทางอย่างอย่างนี้เราจะเอาเด็กเข้าวัดไม่ได้เด็กก็ต้องเห็นนะนะอะไรก็ตามต้องเห็นต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างว่าเราไปกินอาหารดีๆเราต้องการให้ลูกหลานเราได้กินด้วยญาติผู้ใหญ่เราได้กินด้ว ย, ย, ย, เ, รวยเราต้องเอาฝากฝากอะไรฝากอาหารที่เรากินนั่นแหละเอามาฝากแล้วให้ แกกินแล้วแกชอบเองแกสนใจเองหมดแล้วแกหาเองอ่ะไม่ต้องหัววันหลังไม่ต้องชวนะอ่ะแล้วทำยังไงจะได้กินนะ่ะอนยังไงจรึงจะได้กินคือคืออาหารนะี่คงไม่ยากนะฮะมันก็ซื้อกันได้แต่ว่าการธรรมปฏิบัติเราต้องได้ลิฟ์ได้สัมผัสพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนภายในบ้านนะนะะใครกระตาก คนไปในบ้านที่เข้าไปในวัดเนี่ยให้คนในบ้านเราจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปในทางดีนะฮะในทางดีขึ้นเป็นี้ลูกศิษย์ก็บ่นเดยอะนะเวลาก็เวลาศึกเนี่ยจะพูดอยู่เรื่องเดียวตอนนี้บอกว่าไอสัตว์ไอตัวด้วงตัวน้อนตัวนอนตัวนอ น, น, อนในในต้นสะกูนะ เวลามันเข้าบวชมันเป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็ออกมาก็เป็นผีเสื้อแล้วก็บินเราจะเห็นว่าตอนเป็นหนอนเนี่ยมันก็ครานทุ่มเที่ยวทุ่มเทไปกินของสกรปรกบ้างมาสกปรกบ้างเละเทะอย่าแต่เสร็จแล้วมันบินได้อ่ะมันบินได้มันไม่กินแล้วนะอผีเสื้อเนี่ยไม่ไม่ดงของเหบลนแล้วนั่นคือแสดงว่าเปลี่ยนธรรมชาติเลยเปลี่ยนสถานภาพจากตัวหนอนไปเป็นผีเสื้อ พอออกบวชมันต้งเป็นผีเสื้อนะฮะไม่ใช่ผีเสื้อราตรีอะไรก็มาผีเสื้อผีเสือ้อดิมันบินอย่างนี้นะว่าทายังไงเอาขนาดเนี้นะรสึกไปแล้วเนี่ยให้พ่อแม่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะลูกที่เคยมวดซุ้มาบา ย, ย ม, มุกอะไรแต่ไรไม่ได้ตะข้อขอตะข้อนะตะข้ออะไรก็ได้นะตะข้อหนึ่งให้พ่อแม่เขาเห็นว่าเปลี่ยนแปลงมันชักจะบินได้แล้วอ่าก็จะได้ชื่นชมยินดี พ่อแม่เองก็จะได้เรื่องในศานนสานาศาสนาลูกเองก็จะยึดมั่นในความดีมากยิง่งขึ้นอันนี้ก็คือการพยายามคิดพยายามเก็บพยายามสะสมไปเรื่อยๆการมองเป็นธาตุก็เหมือนเงนีัยนะพยายามคิดไปเรื่อยๆอะไรก็ตามนะเห็นปับนกปกนป๊บนึกปุ๊บเห็นปั๊บนึกปุ๊บมันสะสมเพราะสิ่งทั้งหลายมันอาศัยสะสมบารามียิ่งสะสมคำพ้องคำชาติมาเลยมารู้ต่วไรตัวมีตัวไรราก็สะสมเรื่อยๆเราคิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ เรอยเห็นอะไรก็คิดมันอ่ะเออนี่มันก็เหมือนกันว่าก็เป็นธาตุเวลากินอาหารเราจะไปจัดญาาเราจะเห็นว่าพวกนี้มั น, มนจะเกื้อกูลการเวลรับประทานอาหารพระเจ้าก็เปลี่ยนชื่อแต่เองเรียกว่าอาหารเรเบติคูลสัญญาดูความปฏิคูลของอ า, าอาหารอาหารมันจะมาจาะได้มาจากชีวิตมาจากชีวิตชีวิตสัตว์ชีวิตพืชชีวิตอะไรนะเ ร, เรจแล้วก็ย่อ ย, ย, อ ย, ย, อยๆไปเกิดเสร็จแล้วก็คือดินน้ําลงไปอากาศนั่นเองน้ำก็มาหาเราน้ำเราก็ไปอาหาร อาหารก็หล่อเลี้ยงเราเพิงก็เกิดจากอาหารเหล่านี้เองอาหารประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศเพราะงะั้นภายในร่างกายเราก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็มองในแง่ของความเกิดความดับอะไรที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยนะคือทํำยังไงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าประมาทในเวลนีเ้เรามองอยู่จุดหนึ่งแต่มาพูดพูดพูดจะเรียก ว, ว่าทําไมไม่คิดถึงความตายบ้าง ทำไมไม่คิดถึงควนตายจะบ้างเล้ายุ่งอะไรกันนักหนาะไม่กี่วันตายแล้วเกิดมาแล้วทําไมมันโรคมันบุ้นนะักจะสร้างเรื่องอย่าสร้างปัญหาไปบ่อยที่เกิดมันมันยังไง่เราก็ตายนะยังไงเราก็ตา ย, นะ ย, งงาตายคิดถึงความตายไว้ด้วยมโนสตินี่เป็นเรื่องสําคัญมากยังอยาที่เคยบอกบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าสภาพจิตของคนนนะในฐานะเป็นศาสนิกนมีปัญหาใหญ่ยี่ปัญหา และแก้กันไม่ค่อยได้นะฮะทางพระทางชาวบ้านนะประการหนึ่งก็คือขาดความเชื่อมัน่นขาดศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าประการที่สองเนี่ยฮะมีความคิดรุนแรงเป็นเราเป็นเขาทะเลาะวิวาสนะวัดวาารามต่างๆเนี่ยบางทีเราก็งงอะ่ะมันมาทำไมลราเออทำไมว่าพระกับพระต้องทะเลาะกันคุณแย่งอะไรเรามันมีอะไรเป็นของคุณสักอย่างนะเออ กุติก็ไม่ใช่ของคุณอะไรก็ไม่ใช่ตัวของคุณอย่างไม่ใช่ของคุณเลยแล้วไปแย่งอะไรกันนั่งหนภายในวัดก็มีแต่ทะเลาะแะญาติโยมก็แบ่งฝ่ายรบกันเองแปลกจริงๆวันเวียนกรรมอะไรอยู่อ้ชาพุดยวนเวียกรรมอะไรชอบทะเลาะจริงไปที่ไหนก็เจอแต่พระทะเลาะกันกับพระนะพระทะเลาะกันพระพระก็โยมนะแล้วโยมก็แบ่งฝ่ายรบกันอีกแล้วเสร็จแล้วพระก็มีหางโยมมาถือหางพระอีกพระเลยกลายเป็นสัตว์มีหางไป อ, อะไรก็หมายรู้มันแปลกจริงจๆไงเอามางงไม่รู้เรื่องหนิเอ๊ะบอกว่าเจะเดินมรณาติจะบ้างสิคิดถึงตายแล้วกี่วันตายแล้วกีวันตายแล้วเราจะอยู่สมมติเราอยู่อย่างอาตมาเนีน่อยู่อีกยี่สิปีมันก็อยู่ไม่ไหวนะอายุท่าพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเลยไปแล้วยิงยิงไปใหญ่เลยเมื่อวนันซื่งเข้าไปบอกศพหลวงพ่อดารานจังหวัดชน9เบสอโอ้โห ไ, ไหวเลยชีวิตเกินพระพุทธเจ้าไปตั้งสิบสองปีชีวิตจะไม่ได้เรื่องเลยคอนอนบนเตียงนอนอบนเตียงสร้างภาระปัญหาให้แก่คนอื่นเราไม่เอาเรอย่างนะั้นพออายุยืนที่ไม่เอาสะตะวัฏษอะตั้งร้อยปีอนยะไม่เอายิ่งกว่าร้อยปี อติเรกาวัฏสะสตังชีวตุนะฮะพระก็ถวายอติเรกในหลวงเนี่ยให้มีประชนมาายุยั่งยืนเกินร้อยปีอ่อยทำอะไรเกินไร้ปีเวลาให้พอห้องเต้จีนเนี่ยนะให้มีประชนมาายุยืนหมืนม่นหมื่นปีมีอยู่ทำอะไรหมื่นปีมีทักองนะแล้วร้อยปียังไม่เคยเจอห้องเต้จีนเนี่ยมันก็มันก็เนี่ยมันมั น, มน ไปหลงไหลไปไปคาดหวังแล้วไม่นึกคือไม่ถามต่อไปไว้ทาไม่ําไมททำไมทําไมคือเราไม่ถามมันจะเอาไปทำอะไรเราชีวิตตั้งร้อยปีเอาไปทำอะไรก็ อ, อย่างที่เคยหะตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่สังเกตเองว่าพรที่เราให้กันเนี่ยที่จริงมันมั่วนะมันขัดแย้งกันด้วยอายุวัฒนะสุขภัล อายุก็คือมีอายุยืนสุ ข, ขะก็ไม่มีความสุขพระละมีกำลังกายกำลังใจดีมีวันหนมีผิวพรรณผ่องไสมันผ่องไสได้ยังไงคนแก่นางเหี่ยวหมดแล้วอายุยืนในหนังเหี่ยวหมดแล้วมันจะผ่องใสได้ยังไงจะกำลังกายกำลังใจยกขาตัวเองยังไม่ขึ้นอย่างไรกำลังกายไปไหวที่ไหนถ้ามันแก่จะมันจะสุขได้ยังไงลุกก็โอยนั่งก็โอยจะสุขได้ยังไงเราจะเห็นว่าอายุยืนอย่างเดียวมันก็เสร็จแล้ว ไอ้ที่พรนีกสามอย่างมันไม่ได้แล้ววนสามอย่างนี้ไม่ได้ครับนอกจากสุขใจสุขใจแล้วก็พยายามต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่ตัวตวนขอเราจริงๆอย่างน้อยก็มองในแง่ ย, ยืมมองในแง่ ย, ยืมมันโปร่งๆหน่อยนะมองในแง่ ย, ยืมแล้วก็พร้อมที่จะตายนะพร้อมจะตายก็อย่างทหารเรือเด็กก็เตรียมแบบดอกกระดูเนี่ย แล้วมามองดอกกระดูกมันนานเราก็อเอ๊ะคุณหมายความว่าอย่างไงดอกรดูกยังนึกในายากเขาไม่ออกนะว่าเขาต้องการเอาตรงไหนมาเป็นดอกกระดูกเพราะเราเห็นดอกกระดูกมันขี้ร่วงจังไงแกบอกว่าจุดเด่นของดอกกระดูกนี่คือคือบานพร้อมกันแล้วก็ร่วมพร้อมกันตอนชีวิตทหานเรือเนี่ยหมายความว่าเขาพร้อมจะตายหมดทั้งเรือทั้งคนทั้งอะไรแต่อะไรเนี่ยนะก็พร้อมจะตายแต่ทํางานเพื่อสาธารณสุขหมายความไม่กลัวตายพูดง่ายว่าพร้อมจ ะ, มจะเผชิญหน้าความตาย ทีนี้โลกมันจะรื้นุ่มเราไม่กลัวตายะเราไม่กลัวตายแต่ถ้าจะทําให้เราไม่ประมาททีนี้อาการทะเลาะมันรู้จะทอไปทําไมอ่ะนะจะทะเลาะไปทำไมเกษตรแล้วก็ตายหมดไอ้คนที่ไม่ทะเลาะก็ตายไอ้คนที่ทะเลาะก็ตายแต่ว่าคนที่ไม่ทะเลาะนี่เขาอยู่สบายคนที่ทะเลาะเนี่ยอยู่ก็ไม่สบายตายก็ไม่ตกนรกที่ไหนก็ไม่รู้มันมั่วทั้งสองชาตินะ่อันมั่วตั้งสองชาติไปยุ่งมันทําไมไปทะเลาะกันทำไม อันนี้คือขาดเมตตาที่ที่ประวัติสนธิประจองเกล้าแตนรวบรวมกรรมฐานตตุรารักกรรมฐานพุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมรสติอิจิมาจตรานะฆ า, าการต า, าจะริปัสนาภาวนาทั้งสี่นี้คือพุทธานุสติเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมตตาปราตนาต่อใจคนอื่นแื่นเป็นสุขอสุภะมองเห็นร่างกายเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามมารัสติเระเลิกถึงความตาย ชือว่าจตุรารักและวิปัสสนาพึ่งคําเพียพึงควาเพ็ยแต่เราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่สี่เรื่องเราแก้ปัญหาในด้านสุขภาพจิตแต่มันเชื่อมโยงกับสิ่งตัวนอกนะฮะเชื่อมโยงกับสิ่งตัวนอกอยู่เราจะเห็นว่าสองตัวอนะ่แล้วก็เปชนใจสามตัวในก็คือหนึ่งตัวตัวนอกก็คืออะไรก็คือองค์พระพุทธเจ้าที่เราจะต้องยึดมั่นต้องศรัทธายึดมั่นแต่เราไม่ค่อยมั่นนะฮนะไม่ค่อยมั่นเวลานี้ยังน่ากลัวนะ ในวัดวาอารามมีหมดเลยควรอิมโพธิสต์หรือสีอะไรแหละเท้าจาตุมหาราชผีเผอต่อไปมีหมดอันนี้มีหมดเนเอามาไหว้กันไม่รู้เป็นอะไรแต่อะไรอะเรื่องเจนว่าปัญหานี่ปัญห า, ญห า, หารูปเคารพเนี่ยท่านน บ, บีมูฮัมมัจดจะสัตวลายสลามท่านฆ่าหมดเลยสี่ร้อยแปดสิบพระองค์ทำลายหมดเลยนะ เอาไม่ไว้มันมั่วมันทะเลาะกันเองมันถือพระเจ้าก็้ามแล้วก็แบกพระเจ้าไปทะเลาะกันถ้านนั้นเลยหีมโหสถนั้นสั่งฆ่าหมดเมันจะฆ่าคือทุบทิ้งทุบทิ้งมันรูปปั้นมันรูปหล่อมันรูปแกะสลักเอาไโอ้ยทำไมมันมากมายอย่างนั้นนั้นแสดงว่าพุทธานติไม่มั่นคงนะไม่มั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าแต่เรามั่นคงแล้วเราไม่จําเป็นจะต้อรุงรังขนาดนั้นนะ ทำไมพระพุทธเจ้าก็สุดยอดแล้วพวกนั้นมก็เด็กๆรุ <Dial. S 2> er ่นลูกศิษย์รุ่นเดียวกับเรารุ่นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ารู้สิทธ์รุ่นหลังด้วยนะะพวกนี้พวกนั้นก็รู้สิทธ์รุ่นหลังเราก็รู้สิทธ์รุ่นหลังเหมือนกันอ่าบางคนเป็นเพื่อนสาสนิกด้วยกันนั้นเองทีนี้เมตตานะฮะเมตตานั้นต้องการขจัดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเพราะอะไรเพราะมองแบ่งแยกนะมองด้วยเกิดความชังนะมองเกิดความชั่ง แล้วก็ไม่ตามไม่ได้ในะสุดก็กลายเป็นการทะเลาะกันเป็นเรื่องแปลกมากนะฮะมันเมื่งมุ่งกระมรดกบากอะไรวัดบางวัดเนี่ยแบ่งเป็นตั้งสามวัดนะเรียกว่าอะไรมุ้งเล็กเนี่มุ้งใหญ่ตั้งตัวเป็นหัวโจรอยู่ตั้งสองสามแห่งเลยงคนต้องขยอยแล้วก็มีหางให้คนถือเรียบร้อยเลยโยมมาถือหางเสร็จนะแล้วก็ทะเลาะกันไม่ด้วย ไม่กี่วันจะตายแล้วนะะไม่เมดด้วยบางทีนั่งรถเข็นแล้วจังทะเลาะ ก, กับเพื่อนอีกเดียบเตรียมตายดีกว่านาไปยุ่งทําไมเตรียมตายดีกว่าเอาอะไรมันไม่เอารถเข็นยังเอาไปไม่ได้เลยไม่เบ่งอะไรแต่ น, นีก้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมองเรื่องความสวยงามนี่ก็สวยนี่ก็สวยนั่นก็สวยเราคิดอะไเองนะแล้วพอเกิดกระจายกระแสอยากปรารถนาะ ไปคว้าแล้วก็เวลานีม้มโหมประโคมกระนําโฆษณาศูนเชื่ออยู่ด้วยพเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ให้เจริญมนัสอสุภะกรรมฐานเราจะเห็นว่าอสุภะกรรมฐานก็คือมองตรงนี้มองอย่างที่สอนพระพระราหุล น, นี่แหะครั้งแรกเนี่ยมองไม่เป็นของเราเพราะเราหุนนั่นเกิดความพอใจความพอใจในตัวท่านน่ะนะความพอใจในตัวท่านก็มองใหญ่เป็นของเราแต่ก่อนต่นี้มองยังไม่ได้ปั้นหนุมนน่มอ่ะขนหนุ่มอ่ะพระเจ้าก็เลยย่อยเป็นธาตุ เพื่อเห็นว่าไม่สวยงามันเป็นดินเป็นผมขนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เราดูแต่ละอย่างเนี่ยผมเนี่ยเอาผมที่สลวยสวยขมดำเป็นเงาอะไรต่ออะไรจริที่มันร้องเรีงว่านะเฮ้ยกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้มันต้องเอาอะไรทาเยอะเลยฟอกล้างกันเยอะเลยนะแล้วพอหล่นมาผลเดีย น, นี้เอากินในอาหารตกอาหารกลากินไหมไม่เอาแล้วเห็นไหมไม่เอาแล้วทาง้านที่โอ้โมันสวยได้เกินมันไม่สวยจริงอ่ะเรกาก็แยกมาทีชิ้นนีชิ้นนีชิ้นนั้นตก มันมีอะไรสวยจริงเล็บที่สวยๆอุตสาหะเนี่ยหมดเงินไปเยอะนะฮะยาทาเล็บอะลองมันมันมันก็ก็ตัดแล้วก็หล่นลงไปในอาหารก็ไม่กล้ากินอีกอ่ะเอาเฉพาะผมคนเล่นผนังนะฮะผมกนเล่นผนังตัมันอยู่ข้างนอกแต่ละอย่างเราจะเห็นว่ามันมันอยู่ในจุดนั้นท่านั้นเองพอมันเปลี่ยนหน่อยเดียวเราก็หมดแล้วแสดงว่าเราไปเห็นนะลึกๆเราก็เห็นเห็นความปฏิกูลของร่างกายความน่าเกียร์ร่างกายเราก็เห็นแต่ก็ ใจมันไม่เห็นนะมันเห็นด้วยตาแต่ใจมไม่เห็นปัญญาคือว่าคําคำว่ายเห็นเนี่ยมันกิเลสต้องลดของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยกิเลสต้องลดเพราะะนั้นเห็นไม่สวยไม่งามเนี่ยกามฉาันทะนี่ต้องลดการไขว้คว้าการปรารถนาการกระสัญอยากในรูปทั้งหลายในอย่างน้อยที่สุดต้องคุมไว้ระดับศีดไม่ใช่ว่าปล่อยความพอเห็นว่าสวยงามแล้วก็อยากอยากล้นนะอยากเกิน อยากเกินไปก็ไปอะไรขโมยแล้วแต่นะก็ออกมาช่อชนออกล่วงว่าไปเรืเรผิดศีลนะแล้วก็บนถึงระดับการมานาเนี่ยางก็คือคิดเกินไปนะคิดเกินไปตัวเองอยู่ตรงนี้ไปคิดถึงไหนไม่ด้วยฮะคิดถึงไหนก็คิดเกินไปก็แสดงว่าสมาธิในการทํางานมันก็ไม่มีอย่างน้อยที่สุดเราก็เสียสมาธิในการทํางานทำยังไงว่าอย่าให้เกิดกําหนก็มองในเนียก็ไม่สวยงาม ไม่สวยไม่งามก็อาสุพะสุพังนะฮะและ้วมรณะสติก็คืออย่าประมาทคนคนประมาทนะฮะประมาทเรื่องความตายโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยประมาทมากมก็มันก็อะไรอ่ะมันก็ไม่เคยเชิเนีฮะมาอย่างอย่างอย่งนึกว่าคนเผชิญหน้าอินเดียเนี่ยมีพระพวกเขาไปทำํำสติติเขไปนั่งนับศพนะฮะที่ท่าอสสัสอสอเบมันมีอยู่สามสี่ท่านะครับ ภาที่มากที่สุดที่ท่าอัสอสองสเมกโอปราเนี่ยก็ไปนั่งนับองหนึ่งนับได้หกสิบสี่นับได้หกสิบสองนับได้หกสิบสององหนึ่งนับตอนกลางคืนนับได้สี่สิบแปดโซบาวางเรียงเป็นตับเลยหายใจเขมวหลเขมวหลเขมวหเขมเตายจริงไม่ตายไม่รู้ถึงกิวก็วัางเลยน้ําไม่น้ําำคนขาดสารปั๊บละครั้งแกนอนเตรียมได้ถูกเผาอยู่เนี่ยนะนมาว่าเก่งนะ นอนเตรียมถูกเผาในตาแป๋วในมองเปลวไฟที่เผาเพื่อนะอีกไม่กี่วันนะี่ถึงอีกไม่ใช่อีกอีกกี่วันอีกไม่กี่นาทีนี่จะถึงเราเนี่ยแกมองไปเชิญหน้าความตายได้ดีนะอินเดียเนี่ยไ ม, ไม่ไม่เบานะฮะไปเชิญหน้าความตายได้ดีมากเลยแล้วก็ลูกหลานลูกเมียผู้หญิงนะฮะผู้หญิงจะไม่มานะมาจะพาะผู้ชายมาเพราะพ่อผู้ชายก็หา ม, มาแล้วก็เตือนสติตัวเองแล้วลึกถึงพระราวนะฮะ อามีน้ำสัตยาแห่ ม, มีน้ำสัตยาแห่ก็เบาเนี่เออมาอย่า ง, ง, งยังยังยังชอบกันนะอ้พวกนี้มันไม่เบาแฮะไม่เบาเลยใจใจวิญญาณธรรมดานอนรอคิวถูกเผานะไฟแกก็ไม่กลัวนะะตายแกก็ไม่กลัวเอาฟืนที่จะทุบเระบนโถงแกก็ไม่กลัวอันนี้คนบางคนกลัวนะกลัวศพจะเป็นอย่างงั้นกลัวศพจะเป็นอย่างนี้เอาเบาะมารองเทหน่อยเดี๋ยวท่านจะนอนปวดหลัง นี่ห่วงปวนหลังแล้วอีกปวดหลังอี ก, ก, อกเรื่อนี้ศบเลยบุแบบฝระลังนะครับขึ้นพระลังกันเราด้วความเชื่อคนละสายกันพระลังเนี่ยมันถือว่ารักษาศพเอาไว้อย่างนั้นถึงวันพิพากษาศนพะมันจะขึ้นมาเพราะงั้นให้นอนสบายหนอยไปอยู่นานแต่คนเราได้ไหมเนี่ยครับาว่าดินน้ําลงไฟมันก็แยกย่อยไปตามดินน้ําลงไฟนะเรยใช้ผ้าเกตสี่นะ แนวหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยทั้งฟากเกตซี่ที่จริงโบราณนะฮะมาจากอินเดียไอ้ฟากเกตซี่เนี่ยเราก็ยังไม่นึกว่าเจ็ดนี่คืออะไรมันน่าจะเป็นเวลานะน่าจะเป็นเวลาแต่ว่ามันจะมันจะมองไปจากจากอะไรยังยังไม่เข้าใจนะฮะไอ้คำว่าเจ็ดเจ็ดซี่แือว่าเจ็ดนี่มามานานโบราณมากๆเป็นประเภทนี้นั้นแสดงว่าหมอนสติที่นี้คนเราพอมีได้เนี่ยนะฮะ มันจะช่วยอะไรมันจะช่วยให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรักชังรักชังพระพุทธเจ้าจะสอนในช่วงหนึ่งนะธาตุเี่นจะเอาไปสอนในช่วงหนึ่งตรงนี้ให้มองในแนวของของกรรมฐานมองแนวกรรมฐานให้เห็นเป็นของปฏิกูลเพราะประหูนนั่นแยกไม่ออกก็ถ้ากำลังหลอดนะพระนึกดูว่าสาวแม่ก็สวยที่สุดพ่อก็หล่อที่สุดนี่มันลูกมันขนาดไหนนะ ลูกขนาดไหนมันไม่งามไม่หล่อขนาดไหนเพราะท่านท่านท่านท่า น, า น, า น, า น, านมองไม่ออกอ่ะแล้วงงั้นน่ยพระเจ้าก็เลยให้ดั้งย่อยเวทธาตมันดูผมนะผมเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยดูนี่เราดูดูเราจะเห็นว่านี้เก็มากลุ่มกันมาเกอบกลุมกันมีสัตว์มีส่วนก็พอทำนองนะพอดูได้อยู่แต่พอย่อยเนี่ยก็จะเห็นทันทีเลยอันนี้ก็คือฝึกฝึกแนวคิดเพื่อจะลดการมราคะก็คือจะลดการมราคะในอารมณ์ทั้งหลาย อย่างน้อยก็ไม่หลงตัวเองมากเกินไปนะฮไม่ใช่อายุตั้งสี่ห้าสิบแล้วยังอยู่กระจกตั้งชั่วโมงนะฮะปเ่อพึ่งเมืของเรานั้นนะ่ยนะได้สังขารโทมโทมมาสังขาร น, นั่นก็ออกไปจากว่านนั่นไม่มีทางเดี๋ยวฟื้นนะ่นะทีนีถ้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่คิดแต่งตรงนั้นแล้วจะคิดแต่งที่กายที่วาจาที่ใจนะเราจะเห็นว่าเราจะแต่งด้วยศีลด้วยฐานด้วยภาวนา นะกลายเป็นงามนะเป็นงามใจนะงามใจที่ใจมีธรรมะงามกายวาจาด้วยศีลอย่างน้อยเราก็ช่วยอะไรได้เยอะนะตรงนี้แต่ว่าพอทางธนาคารมัดใจต้องยอมรับความจริงว่าไม่ไม่มีอะไรน้าค่ายหน้าประรานาน่าหน้าพอใจแต่ไม่ถึงกับบรรลุผลนิพพานก็ได้นะฮะอันมันไกลไปหน่อยเราทำยังไงใหญมีปัญหาอลไรกันเนะี ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราเอาไว้อย่าให้มีปัญหาเพราะอำนาจความปัญหาอย่ามีปัญหาเพราะมานะอย่ามีปัญหาเพราะทิฏฐิแต่การดับก็จริงๆก็ค่อนข้างยากนะเรื่องใหญ่ตทำยังไงใยญ่มีปัญหาเพราะเรื่องเหล่านี้ก็แล้วกันแต่าาปัญ น, นี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาตอนนี้ที่สุดนี้เพราะความจเจริญงอกงามไปบูญในธิบุรงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านเตือ